ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งความสุขตอนต้นแต่ทุกตอนปลายสองความทุกตอนต้นแต่สุขตอนปลายนี่คือความสุขที่เราสามารถหากันได้สองชนิดด้วยกันความสุขตอนต้นและ ทุกตอนปลายนี้ก็เป็นความสุขผ่านทางร่างกายนี่เองส่วนความทุกตอนต้นแต่สุขตอนปลายอันนี้เป็นความสุขทางใจความสุขทางร่างกายนี้หาง่ายอยากจะได้ก็ได้เลยถ้ามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีตาหูจมูกลินกายที่พร้อมบริบูรณ์ก็สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผธพะมาให้ความสุขได้แต่ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย จึงไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้เวลานั้นก็เลยเป็นเวลาของความทุกข์ส่วนความสุขทางใจนี่เป็นความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบหยุดใช้ร่างกายหาความสุข เวลาสร้างความสุขทางใจก็ต้องทุกเป็นธรรมดาเพราะไม่สามารถไปหาความสุขทางร่างกายได้ต้องงดเว้นการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจเวลาสร้างความสุขทางใจจึงเป็นเวลาที่มีความทุกข์กัน แต่ถ้าสามารถสร้างความสุขทางใจได้สำเร็จความทุกข์ก็จะหายไปแล้วก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ความสุขทางใจก็จะมีอยู่ต่อไปเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเอง ใช้สติใช้ธรรมคือสติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่จะรักษาใจให้สงบไปเรื่อยๆถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจจะตั้งอยู่ในความสงบใจจะมีความสุขจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย ผ่านทางตาหูจมูกลิ่นกายที่จะต้องค่อยเสื่อมไปตามลำดับแล้วก็จะหมดความสามารถที่จะหาความสุขได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เป็นเวลาของความทุกข์ใจนี่เรียกว่าความสุขต้นแต่ทุกตอนปลายตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว มีร่างกายแข็งแรงก็มีความสุขกันทั่วหน้าแต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชราร่างกายเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเลอร่างกายต้องตายไปความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะหมดไปได้แต่ความทุกข์นี่เรียกว่าสุขต้นแต่ทุกปลาย ที่พวกเราส่วนใหญ่กำลังหากันอยู่เราหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกันด้วยการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ใช้เงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะชนิดต่างๆมาเสกกันวเวลาที่มีเงินทองซื้อเวลาที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เราก็มีความสุขกันแต่เวลาที่เราขาดเงินขาดทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆหรือเวลาที่ร่างกายเราแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแล้วเป็นความทุกข์ใจที่จะกลับมา เพิ่มขึ้นอีกเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังมีความอยากและไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อ ม, มาหาความสุขแบบเก่าคือความสุขต้นแต่ทุกตอนปลายนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ที่เกิดจากการหาความสุขแบบนี้กันส่วนความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกันได้สร้างกันขึ้นมาก็คือความสุขตอนปลายแต่เป็นความทุกข์ตอนต้นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนที่ท่านเสด็จออกจากพระราชวางังแล้วไปอยู่แบบนัก บ, บวช ไปอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบขอทานก็ดูภาพก็คงจะเห็นว่าทุกข์ขนาดไหนลำบากขนาดไหนจากการที่เคยอยู่อย่างสุขอย่างสบายในวงังแต่เป็นความสุขเบื้องต้นและจะมีความทุกข์ตอนท้ายตามมาเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าร่างกายของพระองค์ใน อนาคตจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปพเพราะพระองค์ได้ทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในขณะที่แอบออกไปนอกกำแพงวังเพื่อไปเห็นเพื่อไปดูอะไรต่างๆที่อยู่นอกวังพอเห็นว่าร่างกายของพระองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พระ อ, องค์ก็ทรงรู้ว่าความสุขที่พระ อ, องค์มีอยู่นี้เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองพอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้อีกต่อไปพระ อ, องค์จึงทรงสละราชสมบัติสละความสุขแบบนี้เพื่อไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ มีไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่หายไปจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขทางใจนี้ก็จะไม่หายไปไม่หมดไปแต่ต้องร ก, กันต้องสละความสุขทางร่างกายไปแล้วไปอยู่แบบมากน้อยสันโดษ ทางร่างกายไม่ต้องการอะไรมากเพราะไม่ต้องการหาความสุขทางร่างกายเพราะต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้พยายามหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิและจากการเจริญปัญญาจนสามารถ ทำให้ใจสงบทำให้ใจเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่ไปกับพระไทยของพระองค์ไปตลอดเพราะว่าเป็นความสุขที่พระไทยของพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วก็พระไทยของพระองค์ก็จะไม่มีวันเสื่อมวันดับไป ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายแล้วก็ทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเองต่อไปเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายนั่นเองสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาถ้ามีธรรมคือสติสมาธิและปัญญา ก็เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่หาความสุขชนิดที่หนึ่งคือความสุขต้นแต่ทุกตอนปลายคือความสุขผ่านทางร่างกายก็จะต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถมีความสุขได้ต้องมีร่างกายจึงต้องมากลับมาเกิด พอกลับมาเกิดก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายในบ้านปลายของชีวิตก็ต้องเจอกับความทุกข์อันนี้ <c oughs> เป็นความสุขของพวกเรากันพวกเราหาความสุขทางร่างกายกันพวกเราเลยต้องกลับมาเกิดใหม่กันตา พระพุทธเจ้าและพระสาวกนี้ท่านไม่ได้หาความสุขแบบที่พวกเราหากันแล้วท่านหาความสุขจากธรรมคือสติสมาธิและปัญญาที่ทําให้ใจของท่านมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพระองค์เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพวกเรา ที่ยังเวียนว่าตายเกิดอยู่ในตอนนี้แต่พวกเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายสร้างกันได้ถ้าเราได้มาพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระสาวกที่จะสั่งสอนให้หาความสุขแบบ ที่แท้จริงเป็นความสุขปลายแต่ต้องทุกตอนต้นผู้ที่จะหาความสุขแบบนี้ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องยอมทุก์ถึงจะสามารถพบกับความสุขอันนี้ได้เพราะจะต้องยุติการหาความสุข ทางร่างกายนั่นเองเช่นผู้ที่จะมาจะเจริญสติสมาธิปัญญาจำเป็นต้องไปปรีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวอยู่ห่างกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะเพราะถ้าอยู่ใกล้ใจก็จะอดที่จะเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ได้ซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติด คนที่อยากจะเลิกยาเสพติดนี่ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากยาเสพติดคนที่อยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุราต้องไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่ให้สูบไม่มีสุราให้ดื่มไม่มียาเสพติดให้เสพตอนที่ไม่มีตอนที่อยากแล้วไม่มีนี่ตอนนั้นจะทุกข์มาก จะอยู่ว่าสามารถที่จะผ่านความทุกนี้ไปได้หรือไม่ถ้าไม่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือก็จะไม่สามารถที่จะทนกับความทุก์ได้ยังไงก็จะต้องกลับไปหาบุรีหาสุราหายาเสพติดผู้ที่มาตีกุ้ยเวกมาถือศีลแปก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สามารถเจริญสติได้ ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ไม่สามารถเจริญปัญญาให้มาคอยกำจัดความอยากต่างๆได้ <ME ican> ก็จะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นลดเพราะทนกับความทุกข์ทรมานไม่ไหวแต่ผู้ที่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปหารูปเสียงกยลิ่นรสผลตภะให้อยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาทําอะไรก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการทํางานนั้นๆไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกยลิ่นรสผลตภะ ใจก็จะไม่เกิดความอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดถ้าไม่มีความอยากไม่ได้เกิดความอยากที่จะเสกความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดแล้วถ้านั่งเฉยๆทำใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้เช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วความอยากต่างๆก็จะระงับดับไปชั่วคราว เวลานั้นก็จะเกิดความสุขที่ที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถั่วก็จะทำให้มีความกำลังมีกำลังใจมีความยินดีที่จ ะ, จะเจริญสติที่จะนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ สร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ใช้ปัญญามาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิถ้ามีปัญญาปัญญาจะสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอย่าไปอยาก ให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจไม่สบายจะทำให้ใจทุกข์นั่นเองถ้ามีปัญญาสอนแล้วใจมีกาลังมีสมาธิใจก็สามารถฝืนความอยากไดไ้ไม่ทำตามความอยากได้โดยไม่รู้สึกทรมานใจก็ถ้าฝืนไปเรื่อยๆ ความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดกําลังไปในที่สุดเมื่อไม่มีความอยากมาคอยดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ ก็มีความสุขทางใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นี่เป็นการหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก่อนหน้านั้นท่านก็เคยหาความสุขแบบที่พวกเราหากันคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เกิดมาเพื่อหาความสุขทางร่างกายกันทั้งนั้น คือความสุขต้นและความทุกข์ปลายกันแล้วก็จะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นการหาความทุกข์มากกว่าการหาเป็นการหาความสุขพระ อ, องค์จึงเลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วไปหาความสุขทางใจแทน พอพระองค์ได้พบวิธีที่จะหาความสุขทางใจได้แล้วพระองค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้กันถ้าพวกเรามีศรัทธาถ้าพวกเราเห็นโทษของการหาความสุขทางร่างกายว่าจะนาไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตก็จะฝืน การหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหัดหาความสุขทางใจอย่างท่านที่มาถือศีลแปดกันอยู่ที่วัดกันมาปรีกวิเวกันมาหาที่สงบห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆแล้วก็แยกกันอยู่ไม่คุกคลีกันไม่สนทนากันไม่คุยกันไม่หาไม่ทากิจกรรม ทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยกันต่างคนต่างอยู่ที่พักของตนเพื่อจเจริญสติในด้วยการเดินจงกรมและเพื่อจเจริญสมาธิเวลาที่นั่งหลับตาการจะนั่งหลับตาให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ต้องมีสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากถ้าไม่มีสติ ใจก็จะนั่งคิดไปเรื่อยๆพอนั่งคิดแล้วใจก็ไม่สงบแล้วก็จะเกิดความอยากลุกขึ้นมานั่งไปสักพักก็จะเบื่อจะอยากลุกพอเกิดความอยากลุกก็เกิดความอึดอัดทนนั่งต่อไปไม่ได้ในที่สุดก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสลุกขึ้นมาไปหาเครื่องดื่มเดิมไปหา ขนมรับประทานถ้าไม่ได้ถือศีลแปดก็จะไปหาอา ห, อ า, หารหาอะไรต่างๆไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปทำอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเป็นการให้ความสุขกับใจและเป็นการระ ง, งับความไม่สบายความอึดอัดใจ แต่เป็นการระบายชั่วคราวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความอึดอัดใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาไปทำตามความอยากใหม่แล้วถ้าทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาหรือถ้าได้สิ่งที่ให้ความสุขแล้วต้องเสียสิ่งนั้นไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็จะต้องมีวันหมดไปบางอย่างก็หมดไปอย่างรวดเร็วเช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเสพสัมผัสจากการดูละครจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานนี่พอได้เสพได้สัมผัสแล้วมันก็หมดไปถ้าต้องการเสพต้องการสัมผัสใหม่ก็ต้องหามาใหม่หารูปเสียงกลิ่นรสใหม่มาเสพ ถ้าเป็นบุคคลก็อาจจะช้าหน่อยบุคคลที่เราได้มาให้ความสุขกับเราท้าวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปเวลาที่ต้องจากกันเวลานั้นก็เป็นเวลาของความทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ที่ตามมาจากความสุขตอนต้นเราก็ได้ความสุขแล้วพอ สิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราก็ได้ความทุกข์แทนความสุขเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขตอนต้นแต่เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ตอนปลายในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาหาความสุขทางใจมาปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวเราก็ทุกข์ก่อนเพราะเราต้องทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องไม่เสกรูปเสียงกลิ่นรส เวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจแต่เนื่องจากเราพร้อมเรายินดีเราอยากจะได้ความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเราก็ยอมทุกข์ด้วยความอดทนอดกลัน้นด้วยการมา บังคับตัวเราเองให้เจริญสติให้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้เราก็จะสามารถควบคุมความอยากของเราได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดผะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดผะก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายได้ แต่เวลาใดที่เราเผลอไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสหรือเวลาใดที่เราไปเห็นไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าเราระ ง, งับมันไม่ได้เราก็จะก่อความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแล้วถ้าควบคุมไม่อยู่ก็อาจจะพาให้เรากลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันเช่นคนที่มาอยู่วัดเป็นครั้งเป็นคราว ก็อยู่ได้เพียงช่วงระยะสั้นๆเพราะว่ากำลังของสติที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปคิดถึงบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับตนนั้นพอเผลอไปคิดแล้วมันก็เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขเหล่านั้นก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้ ก็เลยยังต้องกลับไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปก็เป็นการไปเข้าไปไปม า, มาในเบื้องต้นเป็นการต่อสู้กันแพ้บ้างชนะบ้างผู้ที่ต้องการชนะก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้บ่อยทำใจให้สงบให้มากๆากแล้วเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการไปเสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะว่าเป็นการไปหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขกันถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมใจได้ตลอดเวลาใจก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขแบบสุขตอนต้นและทุกข์ตอนปลาย ก็จะอยู่กับการหาความสุขที่เป็นทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลายทุกตอนที่ต้องต่อสู้กับความอยากที่อยากจะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายถ้าสติสมาธิปัญญามีกําลังมากกว่าความอยากใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็น เครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใจก็จะอยู่อย่างสงบได้อยู่คนเดียวได้ปลีกวิเวกได้ไม่ต้องไปมีความสุขกับใครไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้ นี่คือความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวรเมื่อได้ความสุขนี้มาแล้วก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้จึงไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะ ได้ความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกเราก็ต้องทําแบบปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกปฏิบัติกันเราต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วก็ไปปีกเว้ย์อยู่คนเดียวไปรักษาศีลแปดกันหรือศีลของนักบวชศีลของพระศีลของอุป ของภิกษุณีซึ่งเป็นศินที่ครอบคุมมากกว่าศินแปดสินแป น, นี้ก็เป็นศินแบบครอบคุมแบบไม่ละเอียดเหมือนกับสินสอง้ยีิบเจ็ดหรือสินสาม้อยกว่าข้อเพราะว่ากิเลสมันมีหลายขนาดมีหลายชนิดขนาดหยาบก็มีขนาดละเอียดก็มีสินแดนี้ก็สามารถ จับพวกกิเลสที่หยาบได้แต่กิเลสที่ละเอียดกว่าความอยากที่ละเอียดกว่าศิญแปดก็จะจับไม่ได้ต้องไปศิญสองยยี่สิบเหรือศิญสามร้อยกว่าข้อถึงจะจับมันได้ถึงจะกันมันได้ป้องกันไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านได้นแล้วก็ใช้สมาธิใช้สติหยุดมัน แล้วก็ใช้ปัญญาฆ่ามันสีลนี้เป็นเพียงแต่คอยกันมันไว้ไม่ให้มันออกมาทางตาหูจมูกเลี้ยงกายส่วนสมาธิและสติก็ทำให้มันหยุดทำงานให้มันพักการทำงานส่วนปัญญาก็จะถอนรากถอนโคนคือฆ่ามันให้ตายอย่างถาวรถ้าไม่มีปัญญา กิเลสหรือตัณหาความอยากต่างๆนี้จะไม่มีวันตายไม่มีวันหมดไปจากใจแต่มันก็จะถูกอำนาจของสติสมาธิคอยกดไว้เท่านั้นเวลาใดที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั้นความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้จะมาสร้างความทุกข์จะมาดึงใจให้กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่ถ้ามีปัญญาฆ่ามันได้พอมันตายแล้วมันก็จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่มาฉุดรากใจให้กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่มันก็เลยไม่ไปมันก็เลยไม่สามารถเด่งใจให้ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ใจที่ได้ความสุข ได้ทำลายความอยากด้วยปัญญาแล้วจะเป็นใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่การไม่ได้กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจนั้นหายไปไหนใจนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีอยู่เหมือนเดิมมีความสุขที่ยิ่งใหญ่คือบรมมะสุข ยังไม่ต้องมามีร่างกายมาแบกร่างกายมาใช้ร่างกายมารับใช้ร่างกายทั้งใช้ร่างกายและรับใช้ร่างกายเรารับใช้ร่างกายด้วยการหาปัจจัยสี่มาให้ร่างกายหาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยต่างๆมาให้ร่างกายให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วเราก็เอาร่างกายนี้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาไปหาความสุขกันแต่เลี้ยงดูร่างกายให้ดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีแล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาได้คนบางคนถึงกับฆ่าตัวตาย เพาถ้าไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมคนที่เป็นอมาพอมภาะาหรือคนที่รู้ว่าเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายจะต้องตายภายในระยะเวลาสามเดือนหกเดือนบางคนก็ไม่อยากจะทนอยู่ในสภาพนั้นถึงสามเดือนหกเดือนก็คิดฆ่าตัวตายกันนี่คือโทษหรือความทุกข์ที่จะตามมา ถ้าเราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหารูปเสียงกลิ่นรสผลถภากร์แต่ถ้าเราหาความสุขทางใจกันหาความสงบกันพอเรามีความสงบมีความสุขทางใจแล้วความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะไม่มาเป็นปัญหากับใจเพราะใจไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นอมพาตก็ไม่เป็นไร ร่างกายจะต้องตายภายในสามเดือนหกเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะใจยังมีความสุขได้มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการทำใจให้สงบด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่เองดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบว่าความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่เราควรที่จะแสวงกัน ถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็จะเลือกความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้เลือกกันได้หากันเพราะเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาแต่เป็นความสุขที่จะต้องผ่านความทุกข์ต้องมีความทุกข์ก่อนถึงจะมีความสุขแบบนี้ได้ทุกข์ที่เกิดจากการที่เราจะต้อง สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเช่นการถือศีลแปดนี่จึงเป็นเหมือนกับการสร้างความทุกข์ให้กับเราคนเราจึงไม่ค่อยชอบรักษาศีลแปดกันไม่ชอบบวชกันเพราะกลัวว่าบวชแล้วจะทุกข์กันรักษาศีลแปดแล้วจะทุกข์กั น, ก น, จ, กกนจึงไม่กล้าจึงไม่อยากจะรักษาศีลแปจึงไม่อยากจะบวชกัน แต่เขาไม่เห็นประโยชน์ของการถือศีลแปดของการบวชกันว่าเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติจเจริญสติสมาธิและปัญญาที่จะทำให้ใจของเราสงบและมีความสุขอย่างถ้าวรน เ, ออเราต้องมีศีลกันถึงจะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันได้ ถ้าเราไม่มีศีลแปดหรือศีลของนักบวชนี่ความอยากมันก็จะดึงให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นถ้าเราเพียงแต่ถือศีลห้าเราก็ยังไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนอนกับใครก็ได้ไปกินไปดื่มที่ไหนเวลาไหนก็ได้หาความสุขทางตาหูจมูกนึ้งกายได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าเรามาถือศีลแปดกันหรือมาบวชกันเราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายได้ถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์งนั้นก่อนที่เราจะมาถือศีลแปดก่อนที่เราจะมาบวชกันเราจึงต้องฝึกอยู่แบบรักษาศีลแปดอยู่แบบนักบวชไปก่อน วันไหนมีเวลาว่างเราก็ลองดูว่าวันนี้จะหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสักวันหนึ่งลองลองรักษาศิ้นแปดดูสักวันหนึ่งดูว่าจะรักษาได้ไหมทําได้ไหมแล้วสามารถที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่เช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วก็นั่งสมาธินั่งควบคุมใจให้หยุดความคิดเนี่ยถ้าเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะมีทางไปแล้วถ้าถ้าเรายังทําไม่ได้เราก็จะไม่มีทางไปถ้าเรารักษาสีนแปดไม่ได้จเจริญสติคอยควบคุมความคิดต่างๆไม่ได้นั่งเฉยๆให้ใจสงบไม่ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะไป ทางนี้ได้ไปหาความสุขตอนปลายแต่ต้องทุกตอนต้นได้ดังั้นก่อนที่เราจะไปเราจึงต้องมาซ้อมก่อนลองก่อนทดลองก่อนลองหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก่อนแล้วลองมาฝึกสติกันก่อนมาเจริญสติพุทโธพุทโธไปหรือจดจอ่อเฝ้าดูการกระทาของร่างกาย เพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆลองทำดูก่อนว่าทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้เมื่อทำได้แล้วเราก็จะไปได้ไปทำอย่างเต็มที่ได้ไปทำอย่างตลอดเวลาได้แต่ถ้ายังทำวันเดียวไม่ได้ก็จะยากจะไปไม่ได้ต้องลองทำวันหนึ่งก่อน ถ้าทำวันหนึ่งได้ก็ลองเพิ่มเป็นสองวันดูสองวันได้ก็ลองสามวันดูเพิ่มไปเรื่อยๆจนได้เจ็ดวันสิบห้าวันเช่นบางเวลาเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็ลองไปปฏิบัติดูสักเจ็ดวันหรือสิบห้าวันดูหรือว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้ต่อไปเราก็เพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆ จนในที่สุดเราก็พร้อมที่จะทำอย่างเต็มรูปแบบทำอย่างตลอดเวลาเลือกหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มาสร้างความสุขทางใจนี่เป็นวิธีการที่จะเปลี่ยนการหาความสุขเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแบบปรับได้นอกจากเรามีบารมีเก่ามามีสติมีสมาธิมีปัญญามามาก พอมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเตือนใจมาบอกเราว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่เกิดจากการไปบวชไปถือศีลปิหาริยไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาพอถ้าเราได้รู้ความจริงอันนี้แล้วถ้าเรามีบารมีเก่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเก่า ก็สามารถออกบวชได้เลยเช่นคนบางคนนี้พอได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็พร้อมที่จะไปบวชได้เลยนี่แสดงว่าเขามีของเก่ามาเยอะเขาสามารถควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้สามารถเลิกการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอเขาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า ถึงวิธีที่จะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติได้เลยพร้อมที่จะบวชได้เลยและบางทีก็บรรลุได้เลยอันนี้ก็เป็นเพราะอํานาจของบุญบา ร, รมีเก่าที่เขาได้สร้างไว้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรายังไม่สามารถที่จะตัดความสุขแบบเก่าได้ และสร้างความสุขแบบใหม่ได้เราก็ต้องพยายามทำวันละเล็กวันละน้อยไปก่อนทำทีเราเล็กทีละน้อยไปก่อนลองทาเอาทีเราวันไปก่อนแล้วเพิ่มวันไปเรื่อยๆถ้าตอนต้นยังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็พยายามรักษาศี่ห้าไปให้ได้ก่อนถ้ายังสละเงินทองที่จะเอาไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้งกายให้กับการทาบุญ ถ้ายังทำไม่ได้ก็ลองทำไปก่อนเช่นแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญดูลองทำไปถ้าเราทำบุญได้ตัดการเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วเอาเงินทองมาทำบุญได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลห้าได้พอรักษาศีลห้าได้เราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ต้องขยับไปทีละขั้น ถ้าเรายัางไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบทันทีทันใดเราก็ต้องใช้การาก้าวไปทีละขัน้นเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็ต้องไปเรียนที่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ขยับขึ้นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาไปตามลาดับเราก็เริ่มทำทานกันก่อนรักษาศีลห้ากันไปก่อนแล้วก็ขยับมารักษาศีลแปด ขยับไปปีกเวกอยู่วาดกันอยู่ที่สงบสงัดกันอาทิตย์ละวันแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันถ้าเราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสิ่งที่เราจะต้องคอยกาจัดก็คือความอยากต่างๆเราก็จะทำให้ความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธินี้ มันสงบได้ยาวและนานแลถาวรไปในที่สุดนี่คือขั้นตอนของการหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกหากันซึ่งแต่ละคนก็อาจจะทําได้มากได้น้อยไม่เท่ากันบางคนได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็ออกบวชได้เลยบางคนก็ต้องใช้เวลาค่อยๆทําไป ทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปเพิ่มไปทีละนิดเท่าหน่อยไปอันนี้ก็สุดแท้แต่กําลังสุดแท้แต่ศรัทธาของผู้ปฏิบัตินถ้าทําได้มากก็จะได้ผลเร็วแล้วก็อาจจ ะ, ะไม่เสียเวลาไม่เวลาอาจจะคือจะใช้เวลาของชีวิตทันกับการทํา หาความสุขแบบนี้ให้สําเร็จได้ถ้าทําน้อยทาําช้าเวลาของชีวิตนี้อาจจะไม่พอเพียงชาตินี้อาจจะไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ก็ต้องกลับมาทําใหม่ในผในชาติต่อไปดังนั้นถ้าเราเห็นว่าเวลามีของเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราไม่ควรปล่อยให้ไปกับการหาความทุกข์ทางตาหูจมูกเล่นกาย เพราะการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นการหาความทุกข์ในบ้านฝ่ายนั่นเองเราก็เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการหาความสุขทางใจกันด้วยความไม่ประมาณเราต้องคิดต้องเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนมันจะหมดจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอีก ยี่สิปีสาสิบปีจะอยู่ไปถึงอายุเก้าสิบร้อยปีมันไม่แน่นอนบางคนก็อายุไม่ถึงห้าสิบก็ตายก็มีบางคนก็อยู่ถึงเก้าสิบถึงร้อยก็มีแต่เพื่อความไม่ประมาทเราต้องคิดว่าเราอาจจะตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันจะได้ทําให้เราหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกจิตใจเพราะมันเป็นการพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด ให้เรามาหาความสุขทางใจกันเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพื่อจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์กันนี่เกิดสิ่งที่จะมากระตุ้นการกระทำของเรากระตุ้นศรัทธากระตุ้นความเพียรของพวกเราคือการให้ระลึกถึงความตายความไม่แน่นอนของชีวิตของร่างกายว่ามันจะหมดไปในเวลาใดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ ดังนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้จึงอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยให้รีบมาหาความสุขทางใจกันดีกว่าให้มาทำบุญกันมารักษาศีลกันมาเจริญสติสมาธิปัญญากันแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ผลมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปยากรไว้ว่า ถ้าทาจริงๆบางคนเจ็ดวันก็ทำได้สําเร็จบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีไม่เกินเจ็ดปีพระองค์ทรงรับรองว่าจะทำงานนี้ได้สําเร็จจะสร้างความสุขที่เป็นความสุขตอนตอนปลายแต่เป็นความทุกข์ตอนต้นนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดปีถ้าเราตั้งใจทำกันจริงๆจังๆก็ขอให้เรานาเอา เรื่องของความสุขของรูปแบบนี้คือความสุขต้นแต่ทุกปลายกับความทุกต้นแต่สุกปลายนี้ให้ตั้นไปพินิจพิจารณาไปเลือกเอาว่าควรจะหาความสุขแบบไหนกันดีการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าเวลาเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามเพราะจะได้ไม่ยืดเยื้อไม่งั้นก็ยาวไปเรื่อยๆ เ, เวลาควรจะถามก็ไม่ถามกันเวลาเลิกแล้วก็จะมาถาม ถ้าใครอยากจะถามก็ช่วงนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ตามได้ที่ยังมีการถามตอบอยู่นี้ก็เข้ามาถามได้ตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็จะให้ทางพิธีกรได้เอาคำถามจากทางบ้านออมีคนจะถามห่ะถามก่อนเลย เ, เชิญกับนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์ค่ะคือโนขอโอกาสถามนะคะ อย่างแรกก็คือที่พระอาจารย์สอนว่าเราควรควบคุมความคิดไม่คิดอะไระคะ่ะก็จําไปปฏิบัติก็พุโทโธหรือว่ารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวในเวลาทำงานแต่หลังจากที่ทําตามที่พระอาจารย์สอนไปนะคะระยะนี้รู้สึกว่าฟุ้งซ่านคือจิตจิตมันมีคิดออกไปนะคะอย่างก่อนหน้านี้อย่างเช่น กวาดลานที่เดินมาตรงนี้ค่ะพอกวาดไปก็รู้อยู่กับการกวาดหรือก็พุทโทบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันคิดออกไปว่าเนี่ยกวาดกิเลสออกไปให้ใจมันสะอาดเหมือนทางเดินนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยล้างจานอยู่ที่บ้านก็ล้างจานก็รู้อยู่อค่ะแล้วก็พุโทโธ เราบางครั้งจิตก็คิดออกไปอีกแงค่ะว่าล้างจานแล้วก็อย่าลืมล้างใจให้มันสะอาดด้วยนะคือตอนนี้มันจะฟุ้งออกไปแบบนี้คือว่าอยู่กับพุทธโธได้ไม่นานมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหนูขอถามพระอาจารย์ว่าความฟุ้งซ่านแบบนี้ค่ะจะให้หนูจัดการยังไงดีคะก็กลับมาหาพุทธโธพอมันไปคิดก็เดินกลับมาหาที่พุทธโธพุทธโธไปบอกตอนนี้ยังไม่ต้องคิดตอนนี้ต้องการหยุดความคิด มันเราขับรถเราต้องการหยุดมันถึงสีแยกไฟแดงถ้าปล่อยให้มันวิ่งมันก็จะวิ่งไปชนกับรถคันอื่นดังนั้นต้องหยุดมันก่อนค่ะก็คืออยู่กับพุโทโธกลับมาใช่ไหมคะใช่ไม่ปล่อยให้คิดไปยังไม่ให้คิดตอนนี้ค่ ะ, ะข้อต่อไปนะค ะ, อ, ะอย่างเช่นการที่เราเรียนมาเนี่ยคะ่ะ เขาบอกในแง่ของจิตวิทยาว่าเราอยากประสบความสาเร็จในชีวิตหรือได้รับความเจริญอะไรอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าความคิดเนี่ยมันมีคิดบวกกับคิดลบเขาก็แนะนำเราว่าเราก็ควรจะคิดบวกเพราะว่าคิดบวกก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังในการดำเนินชีวิตได้ดีแล้วก็ไปได้ไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่คิดบวก อย่างคิดลบเนี่ยเราก็คงไม่คิดเพราะเรารู้ว่าคิดแล้วไม่ดีแต่คิดบวกที่เขาแนะนํามาอย่างเช่นเขาก็บอกว่าเ อ, อย่างตอนจะไปทํางานตอนเช้าเนี่ยส่องกระจกแล้วก็ต้องบอกนะว่าฉันสวยฉันรวยฉันดีฉันทําได้ฉันเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้จิตใจมันมีพลังที่จะไปทํางานหรืออะไรอย่างนี้เขาก็สอนมาทีนี้พอมาเรียนธรรมะนะคะในธรรมะบอกว่านอกจากคิดบวกแล้ว่คิด ลบแล้วหรืออย่างเงี้ยมันมีคิดที่อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดตามความเป็นจริงอะค่ะทีนี้พอเราส่องกระจกปุ๊บเราได้ยินมาว่าอ่ะคิดว่าสวยนะอย่าไปคิดว่าฉันแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแ่บเออฉันไม่ได้สวยหรอกร่างกายนี้มันก็โสดกโปกนะอ่ะฉันรวยนี่มันก็คิดขึ้นมาอีกว่าเออมันรวยจริงหรือเปล่ามันตายแล้วมันเอาไปได้ไหมฉันดีฉันดีจริงหรือเปล่ามันดียังไงก็ยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่ หรือว่าคิดว่าเออฉันทำได้นะเราก็มาคิดว่ามันจะได้ได้ยังไงบางครั้งมันก็ทำได้บางครั้งมันก็ทำไม่ได้รูออ้สรุปหน่อยนยค่ะออขอขอทราบว่าจัดการความคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตยังไงดีคะพระอาจารย์ก็ต้องคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไปฟังคนอื่นมันก็จะชนกันคาสอนของพระพุทธเจ้ากับคำสอนของคนอื่นนี่มันไม่ตรงกันก็อยู่ที่ว่าเราจะฟังใคร ถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าเราก็ต้องคิดตามที่พระเจ้าสอนให้คิดคิดตามความเป็นจริงเช่นร่างกายของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปนี่นี่คือความคิดที่เราควรจะคิดแต่ก่อนจะคิดแบบนี้ได้เราต้องหยุดความคิดที่ไม่ดีให้ได้ก่อนหยุดความคิดที่จะไปคิดตามคนอื่น แล้วค่อยมาคิดตามพระพุทธเจ้าอ๋อค่ะขอข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดพระนิพพานอยู่ฝั่งกันโน้นและเราอยู่ฝั่งกนันนี้แล้วเราเมันจะต้องเดินทางไปอย่างนี้เหมือนหมายถึงว่าเรานี่มีเรือสองลำใช่ไหมคะแล้วขาข้างหนึ่งเราอยู่กับเรือที่อยู่บนโลกขาแคนอีกข้างหนึ่งเราอยู่กับธรรมแล้วทีนี้เราพยายามประคับประคองเรือสองลำนี้ไปหรอคะแล้วถึงเวลาหนึ่งมันต้องเลือกเรือลําใดลําหนึ่งหรืออย่างไรคะมันลําเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันจะหันไปทางไหน หันไปทางโลกหรือหันไปทางธรรมถ้าหันไปทางโลกมันก็ไปทางโลกหันมาทางธรรมมันก็มาทางธรรมอย่างที่เทศเมื่อกี้เนี่ถ้าหันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็จะไปทางนั้นถ้าหันมาหาความสุขทางใจมันก็จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่เราเป็นคนขับว่าเราจะหันมันไปทางไหนเหมือนรถยนต์เนี่ยมาถึงสี่แยกไฟแดง ไม่ใมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเราก็ต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งอ๋อค่ะให้เราเหลือเรือแค่ลําเดียวที่เราจะอยากไปใช่ไหมค ะ, ะมันลําเดียวลำเดียวมันจะไปทางไหนไปทางธรรมหรือไปทางโลกค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะกราบพระอาจารย์ครับครับผมผมฝึกอ่านั่งนั่งนั่งสมาธิมาทุกๆุเช้านะครับประมาณเกือบสองปีแล้วครับพระอาจารย์ครั บ, รบก็ อาจจะนั่งดูลมหายใจแล้วก็ภาวนาพุโทโธไปด้วยนะครับก็มีเมื่อวันซื้อนะครับผมฟังพระอาจารย์อยู่ในยูยูทูปอะครับพระอาจารย์ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหรอครับพระอาจารย์ครับก็อย่างว่าเราจะเอาร้อนหรือเราจะเอาเย็นนะมันก็ถ้าเอาสองอย่างมันก็ร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็น อ, อครับทนก็อุ่นถ้าอยากจะเอาเย็นก็ต้องไม่เอาร้อนเลือกทางใดทางหนึ่งมันจะได้เต็มที่ไง ถ้าเอาทั้งสองอย่างมันก็ปนกันมันจะเอาชาหรือเอากาแฟเท่าสองอย่างมันก็ปนกันครับเราก็ต้องเวลาสั่งกาแฟแล้วไม่เอาชาด้วยไม่ใช่ก็อ่าเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผมฟังพระอาจารย์เทศนะครับก็พระอาจารย์บอกว่าพระรูญ่าบอกว่าภายในเจ็ดปีต้องต้องต้องสำเร็จใช่ไหมครับใช่ผม คือ ข, ของผมมันเป็นกิเลสหรือเปล่าครับเพราะว่าสองปีนี้รู้สึกว่าไม่ ค, ค่อยคืบหน้าเลยครับก็ทำน้อยมันก็ไม่คืบหน้าเลยทำเท่าเดิมมันก็อยู่เท่าเดิมครับนั่งวันละชั่วโมงมันก็ได้เท่านั้นถ้าจะได้มากกว่า น, นั้นก็ต้องนั่งสองชั่วโมงมันก็จะได้มากขึ้นสามชั่วโมงก็ได้มากขึ้นเหะือนคนทํางานเนี่ยคุณทาํางานวันละชั่วโมงเขาจะจ่ายเงินเดือนให้คนวันละแปดชั่วโมงเขาใช่ไหมถ้าคุณทําเกิน8ปชั่วโมงเขาก็มีโอให้คุณไม่ให้ครับอก็อย่างเดียวกันแหละ คุณปฏิบัติมากผลมันก็มากปฏิบัติน้อยผลมันก็น้อ ย, อยผมก็ฟังมาอีกยางๆผมส่วนมากฟังอยู่ใน YouTube, ยูทูปครับพระอาจารย์ครับก็พระอาจารย์บอกว่าทุกอิปลยาบทกินเดินนั่งนอนขณะผมขับรถเนี่ยผมบอกวนาวนาพุโทโธไปในใจได้ไหมครับได้ก็คนจะทำอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูรถด้วยไม่ใช่อยู่กับพุทโธแล้วรดชนกันก็หยุดไม่ได้เพื่อดูรถไป แต่ถ้าใจไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาอยู่กับพุทธโธไปแทนอยากปล่อยให้มันคิดลังๆคิดได้หลังๆก็พยายามใช้พุทธโธเนียวนำกลับมาใช่ครับใช่อยากปล่อยให้มันคิดเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้คิดไปตามความอยากต่างๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับโซมาข้างหลังเลยคำถามจากทางบ้านจากคุณมาซาชิ ความสุขในสมาธิกับความสุขจากจิต ท, ที่หมดจากกิเลสต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างกันอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าความสุขในสมาธิมันชั่วคราวมันมีโอกาสที่จะพลิกเป็นทุกข์ได้ถ้าเผลอไม่มีสติคุมใจปล่อยให้คิดไปในทางความอยากความอยากความสุขที่ได้จากการทำลายความอยากมันก็จะเป็นความสุขที่ไม่พลิกเป็นความสุขที่ถาวร เพราะไม่มีตัวที่จะมาพลิกจิตให้กลับไปหาความทุกข์คำถามจากคุณสายสมุได้พนภาวนาจนจิตแสดงอาการออกมาหลายอย่างเช่นหนึ่งจิตสงบสองมีแสงสว่างสาเกิดความสุขและสบายจากอาการพวกนั้นตอนหลังๆมาจิตสว่างแม้กระทั่งเวลาที่ยังไม่หลับแต่ก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจากความสว่างนั้น ตอนแรกๆก็รู้สึกดีใจหวงในความสว่างแต่พอหลังๆมีความรู้สึกเบื่อกับความสว่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนต้องยึดไว้เพราะเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วก็เลยลองไม่เอาสติไปดูที่ความสว่างแต่ไปอยู่ที่ตัวรู้แทนแล้วก็ระลึกว่ามันไม่เที่ยงคำถามมีว่าข้อที่หนึ่งปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมคะ ถูกแล้วให้อยู่ที่ตัวรู้ให้สักแต่ว่ารู้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรมันดับก็ปล่อยมันดับไปอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆ้อที่สองควรปฏิบัติอย่างไรให้จิตจเจริญขึ้นคะก็ต้องออกทางปัญญาเวลาเวล า, เวลาใช้ความคิดค่อยคิดไปในทางปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่าไปทาดีกว่าอย่าไปมีดีกว่า ข้อที่สเพราะเหตุใดเวลาที่ล้มตัวลงนอนแล้วกำหนดรู้จิตจึงเกิดความสว่างชัดมากกว่าตอนนั่งหรือเดินคะมันก็เป็นเรื่องของสติถ้าสติดีจิตก็จะสงบจะสว่างข้อที่สทําำไมยิ่งปฏิบตัติยิ่งใช้ชีวิตทางโลกยากขึ้นเช่นไม่ชอบเข้าสังคมและหมู่คณะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าคะ่ะ ก็เพราะวาเราชอบความสงบเราก็เลยไม่ชอบเข้าสังคมเพราะเข้าสังคมแล้วมันวุ่นวายมันไม่สงบมันไม่สุขข้อที่ห้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกปฏิบัติต่อไปจะอยู่ทางโลกได้ไหมเพราะถ้าให้เลิกภาวนาเลิกไม่ได้ค่ะก็คงไปบวชต่อไปนั่นแหละคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่ง จิตอยู่ในโลกทิพส่งกระแสมาเชื่อมกับวิญญาณขันธ์ทั้งห้ากรณีเกิดเป็นมนุษย์หรือสตัตว์เพื่อให้เกิดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายในการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รับรสได้รับการสัมผัสแต่รูปที่จิตส่งกระแสมานั้นจะเป็นคนสัตว์เทวดาพรหมขึ้นกับบุญบาป ท, ที่เคยจิตเคยกระทากิเลส ความอยากตัณหาอุปทานความหลงยึดติดต่างๆในอดีตตอนที่มีร่างกายเป็นท่าสี่ถ้าจิตทาจิตฉลาดแล้วไม่ถูกหลอกแล้วไม่มีกิเลสตัณหาความอยากต่างๆแล้วจิตก็จะอยู่แต่ในโลกทิพย์โดยไม่ส่งกระแสมาหาวิญญาณขันอีกแล้วใช่หรือเปล่าคะเออคือไม่ได้มาหากระแสวิญญาณขันกระแสวิญญาณขันอยู่ในจิตจิตเม่ ไม่ส่งออกมามาเพื่อมารับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายวิญญาณนี้เป็นเหมือนกับไฟฉายที่เราเปิดเปิดส่องไปที่ต้นไม้แล้วก็จะเห็นต้นไม้ถ้าเราส่งวิญญาณมาที่ตาเราก็จะรับภาพได้ส่งวิญญาณมาที่หูเราก็จะรับเสียงได้ถ้าเราไม่ส่งออกมาเราก็จะไม่รับรู้รูปหรือเสียง ข้อที่สองคนที่ถูกผ่าตัดสมองทำให้ไม่สามารถจะขยับร่างกายพูดไม่ได้ทานเองไม่ได้ต้องผ่านทางสายยางทำอะไรเองไม่ได้นอกจากหายใจและขับถ่ายด้วยตัวเองได้ขณะนี้จิตเขายังส่งกระแสเชื่อมมาที่วิญญาณขันอยู่หรือเปล่าคะยังเชื่อมอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำตามคาสั่งตามทาตามความคิดของเขาได้ และคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้จิตเขายังรับรู้สภาวะต่างๆรอบตัวทางอายตนะทั้งหกที่มากระทบอยู่หรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าร่างกายสามารถรับภาพเสียงกลิ่นรสได้หรือเปลารูปเสียงกลิ่นรสได้เปล่าถ้ารับไม่ได้ก็ใจก็ไม่รู้รู้ไม่รู้เสียงเช่นถ้าหูหนวกก็รับเสียงไม่ได้ถ้าตาบอดก็รับรูปไม่ได้ ถ้้าาตยยังยังงดดีีก็รบรบูปสไคำถามจากคุณโจประกรณรักษาศีลได้บุญตอนไหนครับและสามารถอุทิศ ส, ส่วนกุศลได้ไหมครับหรือเป็นบุญเฉพาะตัวครับรักษาศีลตอนที่รักษาก็ได้เลยเพียงแต่ว่ามันได้เป็นมันเป็นแบบกระปิบกระปลอยมันยังไม่ได้เป็นเป็นกรอบเป็นกรรม ก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าเวลาใดที่ไม่ได้รักษาเวลานั้นศีลก็ขาดไปนั้นการที่จะอุทิศบุญจากศีลจึงเป็นบุญที่ไม่แน่นอนซึ่งเอาบุญที่เกิดจากการทำบุญทําทานดีกว่าแน่นอนกว่าทำปุ๊บ ก, ก็ได้บุญทันทีและสามารถอุทิศได้ทันทีท ทคำทางจากเฟซเฟซบุ๊กนะครับจากคุณประเสริฐครับถ้าพ่อให้เงินผมแล้วผมเอาไปทําบุญพ่อจะได้รับผลบุญหรือเปล่าครับแต่ก่อนที่พ่อจะให้ผมบอกพ่อบอกผมว่าจะเอาไปทําบุญนะพ่อบอกว่าแล้วแล้วพ่อบอกว่าแล้วแต่ผมครับออผมสงสัยว่าพ่อจะได้ผลผลบุญหรือเปล่าพ่อเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วอ่ะอันนั้นก็เป็นการทําบุญเหมือนกัน การให้เงินผู้อื่นนี้ไม่ว่าเป็นให้กับพระให้กับวัดให้กับโยมนี่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันให้แล้วก็ได้บุญแล้วส่วนเราคนรับจะไปทาบุญต่อเราก็ได้บุญถ้าเอาไปกินขนมเราก็ได้ขนมถ้าไปเที่ยวเราก็ได้เที่ยวอยู่ที่คนที่จะใช้เงินจะใช้แบบไหนถ้าเอาไปทำบุญเอาไปให้คนอื่นก็เป็นบุญไม่จาเป็นจะต้องให้กับพระถึงจะเป็นบุญ ให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับลูกให้กับแฟนให้กับใครก็เป็นบุญทั้งนั้นแล้วคนที่รับเขาจะเอาไปทำบุญไม่เป็นทำบุญก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ให้แล้วคนที่รับถ้าเอาไปทำบุญเขาก็ได้บุญคาถามต่อไปจักคุณวิยาดานะครับมีคนหาความสุขให้กับตัวเองแต่ทิ้งความทุกข์ให้ผู้อื่นเราจะหลีกหนีอย่างไรคะก็อย่าไปอยู่กับเขาสิ อันนี้จากจากนะครับจากกุนเชอรัน Can you share your experience, y o u y o u h a d with อาจารย์ชา and อาจารย์มหาบัว especially their way of teaching of understand the reality. Uh, you have to go read my biography. It's called My Way. You can go into my website p r a s u c h a t c o m and download the book, and then you will read. You will then. You can read about my experience with my teacher. คําถามต่อไปจากคุณทิตยานะครับในชีวิตของลูกต้องทนกับคําดูถูกด่าดินทาซึ่งลูกพยายามตัดใจไม่ตอบโต้ทุกกรณีคือเฉยมาตลอดคิดว่าคงเป็นกรรมที่ลูกเคยทํามาก่อนจากอดีตชาติลูกไม่ก่อเวรกับพวกเขาในบางครั้งลูกถือศีลแปดบวชเนคขมะก็ยังดูถูกเราไม่ผูกใจแค้น แต่บางคำพูดมันทำให้ลูกเจ็บจนร้องไห้นั่งสมาธิไม่ไหวลูกควรทำอย่างไรดีคะก็อย่าไปถือสาอย่าไปถือคำพูดของเขาคำพูดก็เป็นเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกาเวลานกมันร้องจิบๆิบเจ็บเจ็บเราไม่เห็นจะเจ็บใจตรงไหนแต่ถ้าเราไปคิดไปไปชอบหรือไม่ชอบมันจะทำให้เราเจ็บ งั้เนเราอย่าไปชอบหรือไม่ชอบคําพูดที่เขาพูดปล่อยเขาพูดไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาไม่ให้พูดหรือให้เขาพูด ä, เราปล่อยให้เขาพูดไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาชมเราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเราจะไม่ทุกข์ความอยากที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากให้เขาชมเราหรือไปอยากไม่ให้เขาว่าเรานั่นเองงั้นเราต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเรา เปลี่ยนความอยากของเราว่าต่อไปนี้เราจะไม่อยากให้เขาชมเราเราจะไม่เราจะไม่อยากให้เขาไม่ด่าเราเราจะเปลี่ยนเราจะอยากให้เขาด่าเราเราจะไม่อยากให้เขาชมเราแล้วที่นี้เขาพูดยังไงจะไม่มีวันแทงใจเสียแทงใจเราได้คำถามต่อไปจากคุณทัชพล น, นะครับเรียนถามว่าเราจะประสบความสำเร็จในการงานด้วยอิทธิบาทสี่ได้อย่างไรบ้างครับก็อิทธิบาทสี่ก็มีสี่ มีทำสี่ชนิดเดียกันคือหนึ่งฉันทะความยินดีวิริยะความเพียรจิตตะความจดจ่อความตั้งใจแล้วก็วิมังสาความคิดไข้ขวรถ้าเรามีอิทธิบาทสี่เราจะทำอะไรก็ได้เช่นเราอยากจะเรียนหนังสือถ้าเรามีฉันทะเราก็จะชอบเรียนเมื่อเรามีความชอบเรียนเราก็จะขยันเรียน แล้วเราก็จะมีความตั้งใจเรียนแล้วเราก็จะคิดอยู่กับเรื่องการเรียนจะไม่คิดกับเรื่องไปเที่ยวเรื่องไปเล่นจะคิดอยู่กับเรื่องเรียนอย่างเดียวเนี่ยท่ามีที่บาศีมันก็จะทำให้เราพุ่งเป้าไปสู่งานที่เราต้องทำแล้วพอเราทำงานอย่างอย่างเข้มข้นอย่างตลอดเวลาผลมันก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วคาถามต่อไปจากคุณหยุงฝ่านะครับ การรู้ทุกเมื่อรู้เห็นทุกแล้วเราก็ละวางเสียเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับเละวางทุกไม่ได้ต้องละต้นเหตุของทุกขทุกถึงจะดับไปได้เราต้องรู้ว่าต้นเหตุของความทุกขเกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปหยุดต้นเหตุนั้นเหมือนเวลาคนตีะระฆังเสียงดังถ้าเราอยากจะให้เสียงเงียบเราก็ต้องหยุดคนตีะระฆังไม่ใช่ไปหยุดเสียงะระฆัง เสียงะระฆังเราหยุดไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดังของมันไปเรื่อยจะให้เสียงมันหยุดก็ต้องไปหยุดคนตีละระฆังจะให้ความทุกข์มันดับก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทำให้ทุกข์เหตุที่ทำให้ทุกข์ก็มีอยู่สามที่เรียกว่าการมาตัหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลด ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากจะอยู่ไปนานๆความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้จะทำให้เราทุกข์ความอยากให้เขาสรรเสริญยกย่องความอยากไม่ให้เขาด่าตำหนิติเตียนดูถูกดูแคลนอย่างนี้เป็นความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาจะไม่ทาให้เราทุกข์ได้เลย คำถามต่อไปจากคุณเกเบลินนะครับเมื่อโดนหัวหน้าด่าถึงครอบครัวตอนนั้นรู้ว่าเขาดา่าสติอยู่ที่ใจดูใจตลอดตอนนั้นเลดเต้นแรงมากแบบนี้ถูกต้องไหมคะอะไรเต้นแรงใจเต้นแรงใจเต้นแรงครับ แ, แสดงว่ายังไม่สงบยงอยางไม่ให้เขาดา่าต้องอยากให้เขาดา่าเอ้ามึงอยากจะดา่าด่าไปเลยแสดงว่ามึงสนใจกูชอบกูเนยะห่ามึงถึงดา่า ถ้าไม่รักกันจริงไม่ได่าหรอกคิดอย่างนี้แล้วก็จะสบายใจเวลาเขาด่าแสดงว่าเขารักเราเขาชอบเราคาถามต่อไปจากคุณคริสปี้นะครับอยากจะเรียนถามว่าถ้าโดนผีอมในขณะที่ผีอำอยู่นั้นควรจะทำอย่างไรให้มีสติกลับมาคะก็ดึงใช้พุโทโธถ้าไม่มีสติก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไป แล้วจิตก็จะวางเฉยปล่อยให้มันอ่ำไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเองคำถามต่อไปจากคุณมนตรีนะครับสภาวะที่สภาวะที่ตอนเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้และเห็นความคิดเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นเวทนาส่วนหนึ่งรู้สึกโล่งสบายแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วจิตก็กลับมารวมกันอีกอย่าง อย่างนี้เราปฏิบัติมาถูกต้องไหมครับก็ถูกครึ่งเดียวถูกตอนที่อยู่ในสมาธิาออกมาก็ต้องใช้ปัญญาแยกเนื่อใจว่าความคิดก็อย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างร่างกายก็อย่างผู้รู้ก็อย่างอย่าเอามาปนกันว่าเป็นอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางมันไปว่ามันเป็นอนัตตาให้รู้เฉยๆคำถามต่อไปจากคุณปะครับในสมาธิมีความรู้ หนึ่ง พ, พูดขึ้นมาว่าจิตของตัวเองกลัวว่าการไม่มีร่างกายจะ ก, ก้าวข้ามความกลัวนี้ได้อย่างไรคะกลัวเพูดไม่เลยจิตมันรู้เลยนะจิตของตัวเองกลัวการไม่มีร่างกายอา๋าก็มีกลัวคือความอยากอยากมีร่างกายนี่งก็ต้องบอกว่าร่างกายมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงไม่มีดีกว่าไม่มีแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็จะหายกลัวจิตไม่ต้องมีร่างกายจิตก็อยู่ได้จิตมีความสุขมากกว่าการมีร่างกายมีร่างกายก็เหมือนมีคนใช้ที่เราต้องเลี้ยงดูมันแล้วก็ต้องอาศัยมันพาเราไปไหนมาไหนแล้วพอมันไม่สามารถพาเราไปได้เราก็จะทุกข์ใจยันอย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปมีร่างกายดีกว่าจะมีไม่ต้องมีร่างกายได้จิตก็ต้องมีความสงบมีความสุขในใจยันพยายามสร้างความสุขในใจขึ้นมา เมื่อมีความสุขในใจแล้วก็จะไม่กลัวว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมีไหมมีมีอีกหนึ่งคำถามาครับจากคุญยาณิสานะครับทําบุญกรถิน่นระหว่างทําด้วยเงินกับทําด้วยแจกของกินอันไหนได้บุญสูงกว่ากันเท่ากัอนอนะอยู่ที่เงินมากเงินน้อย <laughs> ครับแล้วก็อีกทีหนะครับและฝากเขาไป กลับไปเองได้เท่าเท right. ่ากันไหมคะเงินเท่าเท่าก okay. well. ันเงินเท่าเท่าก so ันก็ได้เท่ากันแต่จะไม่ได้ของแถมเวลาถ้าไม่ไปเองถ้าไปเองก็อาจจะได้ไปฟังธรรมไปเห็นอะไรแต่ก็จะได้ของแถมกลับมาแต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่ได้ของแถมเช่นไปแล้วเขาอาจจะแสดงธรรมอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าไปฟังเราก็จะได้ได้ฟังธรรมแต่ถ้าไปแล้วไม่มีธรรมก็ไม่ได้ของแถมก็เท่ากันะ ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ตอนนี้ ม, นนมีเท่านี้ครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวเราเลิกประชุมแล้วอย่ามาถามนะพระอาจารย์พระอาจารย์ผมขอโอกาสอีกนึงค่ะคือ หมายความว่าตอนนี้ต้องกลับปฏิบัติไปปฏิบัติก็คืออยู่ในขั้นของการเจริญสติก่อนไม่ว่าความคิดจะเกิดในแง่ของสอนใจก็ไม่ต้องให้คิดเลยจะคิดได้ก็ต่อเมื่อที่พระอาจารย์บอกว่าให้จิตมันรวมก่อนใช่ไหมคะให้มันตก กลุมก๊อฟก๊อฟก่อนเงนี้ยให้มันได้สมาธิก่อนนะพ อ, อ, อจากสมาธิมาแล้วค่อยคิดไปในทางปัญญาได้อ๋อค่ะตอนนี้ยังไม่ควรไปทางปัญญาเกออ็บสติไปเรื่อยๆก่อนออแล้วถ้ามันคิดอะไรก็ไม่ให้คิดเลยใช่ใชอ๋อค่ะจนฝ่าหนูจะตกกลุ่มก๊อฟตรงนั้นนานๆใช่ไหมคะแล้วก็ตกบ่อยๆให้มันชำนานให้มันเก่งก่อนอ๋อค่ะแล้วค่อยมาคิดทางปัญญาต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็แที่กระจกหลุมกอล์ฟนี่คือความสงบใช่ไหมครับเอนเดาา anyway> ี๋ยวจะให้กลับพร้อมกันเลยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ